ที่แล้วมีข่าวที่ประเทศญี่ปุ่น mm. ก็คือแมวตัวหนึ่งนะมันตายก็เป็นข่าวเผยแพร่ทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กระจายไปนะเป็นข่าวของทั่วโลกก็ว่าได้นะ แมวตัวนี้ชื่อธามะธามะตอนที่มีชื่ออยู่ก็มีชื่อเสียงนะเพราะว่าคนก็เชื่อว่าเป็นแมวนำโชคคนญี่ปุ่นนี่เขามีความเชื่อ ก, กว่าแมวที่มันมีสีสามสีเนี่ยก็จะเป็นนำโชคมาให้แล้วก็ธามะก็เป็น เป็นตัวเดียวในครอกนะที่มีสีสามสีซึ่งที่บ้านเราก็หาได้ไม่ยากนะแต่บ้านเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะแต่ที่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นแมวนำโชคตอนที่ตายเนี่ยทํ า, าอายุสิบหกปนะีแล้วก็มีตำแหน่งเป็น ในสถานีในสถานีของเมืองเมืองหนึ่งนะ ส, สถานีรถไฟแล้วก็ยังได้เป็นรองประธานบริษัทวากายม่าอิเล็กทริกด้วยนะคงจะเป็นแนวตัวเด่นในโลกนะที่มีตำแหน่งเป็นรองประธานหรือเป็นกรรมการบริษัทนะอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่แปลกดีนะแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าแมวตัวนี้นี่ขึ้นมาเป็นรองประธานบริษัทได้ยังไงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนญี่ปุ่นนี่ก็มีความความเชื่อเรื่องแมวนำโชคแมวสามสิบตนี้เนี่ยนะถ้า เป็นสมัยก่อนก็จะก็จะให้อยู่วัดนะเป็นแมววัดแล้วก็เพราะว่าถือว่าเป็นแมวที่เป็นแมวสูงอนะ่ะชั้นสูงเนะี่ยควรจะอยู่วัดนะแม้กระทั้งทุกวันนี้เนี่ ย, เ, ยเวลานักศึกษานี่จะสอมนี่ก็ต้องอ ถ้าเป็นเมืองไทยก็ไปบนบานสารกล่าวนะแต่ว่าถ้าเป็นนักศัยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเอาภาพแมวเนี่ยติดไว้ฝาผนังเพื่อว่าจะได้ดนบรรดานให้สอบได้เด็กๆ ก, ก็จะมีแมวเป็นรูปเป็นเหรียญแมวเนี่ยห้อยคอไว้เพื่อให้เกิดโชคนะแล้วก็ขยักขยัดปะปาอันตราย ตามร้านเนี่ยใครไ ป, ปนนยึดถุงไสังเกตมันจะมีรูปไปรูปแมวแล้วก็ยืนกวักยืนกวักนั่งกวักเดย์นั่งกวักลูกค้าแล้วมือที่กวักนั่นก็ขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องลงขึ้ น, น, น, น, ล, งนลงได้นะมันเป็นมันมีมอเตอร์อยู่ข้างในเนี่ยก็จะกวักให้คนให้ลูกค้าเข้ามา เพีพอธรรมาเกิดมาเนี่ยนะแล้วก็มีสีสามสีเขาถือแมวที่จะนำโชคลาภมาให้ก็มีเจ้าของร้านเจ้าของร้านชำนี่เขก็ให้ไอแมวนี่มาอยู่หน้าร้านก็อยู่มันก็อยู่ตังนั้นแหละนะแล้วก็ลูกค้าเห็นก็ชอบก็จะมา ก็จะมาที่ร้านนี้แล้วก็มาซื้อของซื้ออะไรติดมือไปก่อนที่จะซื้อหรือหลังซื้อก็ทักทายแมวเพราะลูกคก้าเขาเชื่อว่าเออถ้าได้มาทักทายแมวก็จะได้โชคได้ลาคมีมอมเเรียกว่าสลีปมงคลนนะถ้ามามก็ก็รู้หน้าที่นะก็อยู่ตรงหน้าร้านนี่แหละ ไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนลืมบอกไปแ้วว่าเป็นตัวเมียก็ทำให้ร้านนี้ เ, เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาประจำก็เป็นอย่างนี้มาได้หลายปีนะฮะ6ปีพนระากาต่อมาไอ้สถานรถไฟนะของเมืองเมืองนี้จำเมืองไม่ได้ชื่อเมืองไม่ได้มันขาดทุนมาก ขาทุนปีนึ้งก็เป็นเรียกว่าร้อยล้านเยนได้เพราะว่ามันเป็นรถไฟแบบรถไฟแบบหวานเย็นอะในญี่ปุ่นที่เขาใช้ที่แล่นผ่านหมู่บ้านต่างๆเป็นหมู่บ้านชนบดชนบดญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็น้อยลงนะหนุ่มสาวก็ไปทำงานในเมือง เพราะฉะนั้นก็เลยจะคนแก่แต่ว่ารถไฟแบบนี้นี่มันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าเป็นรถไฟที่อก็แล่นไปตามเส้นทางชนบทเคยมีโอกาสขึ้นรถไฟแบบนี้อยู่หลายครั้งคนก็ไม่เยอะแล้วก็สองข้างทางก็สวยงาม แต่ว่าเส้นทางก็มักจะไม่ไกลนะประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบกิโลอะไรเงี้ยทั้งเส้นทางทั้งสายก็มีสถานีประมาณสิบกว่าสถานีถ้านั่งเล่นน่ะก็ก็ได้แต่คนที่จะมานั่งเล่นก็มีน้อยเพราะเดี๋ยวนี้นิยมนั่งอนั่งรถไฟอะชิงกันเส้นกันมันเร็วดีหรือไม่ก็นั่งรถอนสถานีนี้มันก็ จปิดตัวคนก็ไม่ยอมลูกค้าก็ไม่ยอมตอนหลังก็ไปขายให้บริษัทเนี่ยขายให้บริษัทรากแยลยม่าเวรแกลยาม่าก็ทำการปฏิรูปใหญ่เลยไล่คนจะปิดคนงานออกนะลดค่าใช้ใจ่ายก็เหลือแต่ให้เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านช่างเนี่ยทันตที่คอยดูแลสถานีเจ้าของร้านช่างเลยถือโอกาสตั้งธรรมะนี่เป็นนายสถานีเลยนะ อันตั้งมีจีมนแต่งเลยนะมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทว่าเป็นนายสถานีแล้วก็มีหมวกหมวกของนายสถานีแล้วก็ให้ทําให้ที่ทํางานนะให้นั่งอยู่ในตรงออฟฟิศของนายสถานีอทํานมามก็ก็รู้หน้าที่นะก็วันๆก็อยู่ในนั้นเนกะ้าโมงเช้าห้าโมงเย็นก็ไม่ไปไหนอยู่ในสถานีจะพักก็แค่วันอาทิตยนะ์วันอาทิตย์หยุดงาน วันธรรมดาก็้าโมงถ้าโมงเย็นก็มาอยู่ที่สถานีในออฟฟิศบางทีก็มาเดินป้วนเปียนอยู่ใกล้ๆนะอยู่ในสถานีให้คนเห็นคนก็พอเห็นทํมามาเป็นในสถานีเาก็กนะ็เริ่มมากันแล้วเริ่มทยอยมากันะเห็นหนึ่งเป็นเรื่องแปลกสองเห็นว่าจะได้โชคได้ลาภเลย น, นะถ้าเกิดมามาเจอมาสัมผัสนะมา ได้พบแมวตัวนี้นะ ก, ก็คนก็มากันนะคนก็มาใช้บริการสถานรถไฟนี้มากขึ้นมากขึ้นตอนหลังถึงกับมีมีเที่ยวพิเศษนะเที่ยวเที่ยวธรรมะเลยนะในรถไฟนี่มีโปสเตอร์เกี่ยวกับแมวมีโปสเตอร์เกี่ยวกับธรรมะมีพวก เบาเบอร์อะไรต่างนี่เป็นแมวหมดเลยเป็นเป็นรูปแมวหมดเลยคนญี่ปุ่นนี่ก็ชอบแล้วกุ๊กกิกอยู่แล้วนะก็มานั่งนังรถไฟสายนี้เนะี่ยตอนหลังก็มีคนนะผลิตกระเป๋านะผลิตเครื่องกะรของที่ระลึกอนะ่ะที่เกี่ยวกับแมวนะสารพัดเลยแมวกรั่งขนมขนมก็แมวคนก็ซื้อกันนะขายดีเป็นเทน้ า, นาเทท่า สถานฟีฟนี้ที่ที่เคยะยอบยากก็ปรากฏว่ากลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมีคนประมาณว่าเนี่ยในช่วงสิบปีเนี่ยช่วงตั้งแต่ปีสี่เก้าถึงปัจจุบันนี้มีเงินไหลเวียนนะในในเมืองนี้เนี่ยพรอธรรมะเนี่ยประมาณเพราะว่าหนึ่งพันล้านเยนหนึ่งพันล้านเยนก็ประมาณสามร้ยล้านบาทมั้งสี่ร้อยล้านบาท เศรษกิจของชาวบ้านก็ฟื้นตัวขึ้นมาก็ยิ่งทำให้ความขลังของธรรมะนี่มันมีมากขึ้นคนก็ยิ่งมาเล้าวิทยาตอนหลังก็เลยเรืวว่อลื้สถานีใหม่เลยให้เป็นรูปแมวไปเลยนะเป็นหน้าแมวนะหน้าต่างประ ประตูทางเข้าทางออกก็เป็นปากแมวเนี่ย้คนก็ยิงมาก็ไปใหญ่ยิงมาถ่ายรูปมาอะไรมาแล้วก็ต้องใช้รถใช้รถไฟเขานะก็ทําให้ทําหมานี่อเป็นจิร้จักแเรวก็แต่ละความดีความชอบเลื่อนจากนายสถานีเป็นอผู้ช่อแล้วหัวหน้านายสถานีเราก็ต้องเลื่อนเป็นหัวหน้าพนักกิจมศ แล้วก็ตอหลังก็จะเลื่อนเป็นผู้ช่วยไอไม่ใช่รองรองประธานบริษัทวัอซีาไม่เล็กทริกก็คงยึดเป็นรายเดียวนะคงอยู่เนแมวตัวเดียวที่ได้รับเลื่อนแบบนี้ได้แล้วคงมีญี่ปุ่นประเทศเดียวด้วยที่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทําหทังว่าดูว่าทาหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันนะรับผิดชอบ แล้วก็ทั้งอายุมากอายุสิบหกปีก็ตายนะตายเมื่อตอนนี้แล้วยุสิบหกปีนะเก่าแก่มากตอนตายนี่โหรคนก็มาเป็นพันเลยนะมางานศพแล้วก็ประธานวิศว์ก็จะบอกว่านี่ได้ยกยกให้เป็นเทพไปเลยนะฝังศพในศาลชินโตความเชื่อแบบนี้นี่มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันยังมีอยู่ในยุคนี้นะ แต่ว่ามันก็เป็นส่วนผสมของที่ทำหมาดังได้ น, นี่ก็เป็นส่วนผสมของความเชื่อดังเดิมของคนญี่ปุ่นผสมกับสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ที่มันแพร่กระจายข่าวไปได้เร็วเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ดังได้ง่ายนะควาว่าคนดังมันก็เกิดขึ้นมาในยุค น, นี้สมัยก่อนนี่มันดังไม่ได้นะเพราะว่า สื่อมนชนไม่ได้เร็วไม่ได้แพร่หลายอะไรแล้วก็ดังได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งแมวหมานะแล้วก็มันก็มีอิทธิพลของเรื่องของ <c oughs> บริโภคนิยมด้วยนะบริโภคนิยมเนี่ยมันก็พยายามทาทุกอย่างให้เป็นสินค้านะกระตุ้นให้คนบริโภคแตพอ พอคนเริ่มเพอธรรมะเริ่มดําก็เริ่มมีสินค้าต่างๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับแมวมากระตามมาุ้นให้คนซื้อคนหาส่วนหนึ่งคนก็ซื้อไปเพื่อเห็นว่ามันมันแปลกดีหรือว่ามันเท่เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็มีความเชื่อเรื่องของโชคลางด้วยนะว่าถ้ามีถ้าได้ใช้แล้วมันก็จะมีโชคมีลาอันนี้คล้ายๆกับเมืองไทยแต่ของเมืองไทยมัน จะมีเรื่องของเรื่องของพระเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแต่แบบธรรมะนี่มันไม่มีเรื่องพระไม่มีเรื่องนักบวชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้ามาเป็นความเชื่อและพอเชื่อนะว่ามีโชคมีลาบนะหรือให้โชคให้ลาบนะโชคลามก็ตามมาเองนะมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคือถ้าเชื่อแล้วเนี่ย พอเชื่อเรื่องใดแล้วเนี่ยมันก็ไอความเชื่อนั้นก็ส่งผลทำใหนะ้เกิดโชคเกิดลาภด้วยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรเลยนะอย่างเช่นในกรณีธรรมะเนี่ยมันก็พอคนมีความเชื่อว่าเออให้แมวสามสี่นี้นะจะให้โชคให้ลาภก็มาหาเราะว่าเอาอาหารมาให้หรือมาเยี่ยมมาชม มาสัมผัสจับแื้อต้องตัวมาแล้วก็เออก็ซื้อของเ้าหน่อยนะซื้อของเขาถือว่าอ่าเตยได้โชวได้ลาดจากของที่ซื้อไปด้วยนะว่าทำให้ร้านเนี่ยขายดีขายดีไม่ใช่ว่าแมวที่ทำให้เกิดโชค์เกิดลาดนะแต่ว่าความเชื่อ ที่ว่าเนี่ยมันทําให้เกิดนะเกิดความสําเร็จมากกว่าหรือมันกับที่สายรถไฟในีที่สายรถไฟที่เคยย่ำแย่แล้วก็กลับฟื้นฟูแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มาจากแมวตัวนี้นะแต่มันเป็นเพราะความเชื่อนะคนเชื่อเออแมวตัวนี้แมวแบบนี้เจะให้โชคลาภ ก, ก็มากัน หรือบางทีก็เห็นเป็นเรื่องแปลกด้วยความมิมีนมันมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเลยนะให้แมวตัวนี้เป็นหนายสถานีอันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งนะให้แมวใส่หมวกแมวท้มามังก็ยอมใส่หมวกทั้งวันนะคนญี่ปุ่นก็ก็ชอบอะไรคุกกิ๊กอยู่แล้วก็ก็มากันมาก็มาถ่ายรูปมาแล้วก็ซื้อของนะ อันนี้เป็นเป็นแค่แคว่าเป็นอิทธิพงของบริโพนียองแบบหนึ่งนะต้องจับจ่ายใช้สอยต้องซื้อเป็นของฝากมันก็เลยโชคล่าก็เลยตามมานะที่เรียกว่าความเชื่อเนี่ยมันความเชื่อเนี่ยมันมันเลี้ยงตัวเองนะความเชื่อเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองความเชื่อเนี่ยมัน มันส่งเสริมตัวมันเองให้ให้ยั่งยืนไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าคนไม่เชื่อนะถ้าคนไม่เชื่อเนะี่ยว่าแมวนี้จะนําโชคเ้าก็ไม่มานะถ้าถ้าไม่มีความเชื่อสักอย่างเนี่ยนะโชคลา่มก็มาไม่ได้นะโชคลา่บจะเกิดขึ้นกับล้างท่าจะเกิดขึ้นกั บ, บ ก, กับรถไฟฟ้ากับรถไฟก็ไม่ได้แต่พระมีความเชื่อ ใหความเชื่อมันสาคัญมากว่าไม่ใช่เฉพาะความเชื่อเรื่องแมวเชื่อความเชื่อเรื่องอื่นด้วยกระดาษเช่นคนไข้เนี่ยมีความเชื่อหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้ฝีมือดีนะสามารถจะช่วยให้หายได้พอแค่เจอหน้าหมอเนะี่ยก็รู้สึก ด, ดีขึ้นเลยและพอหมอให้ยานะไอความเชื่อความศรัทธานในตัวหมอก็ทําให้เกิดมีศรัทธานในยาที่หมอให้ มันก็ทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นเพพอหายเลยความเชื่อนี่มันมีที่ผลมากนะที่หมอจะไม่ได้เก่งอะไรแต่ความเชื่อหมอเก่งทาง ท, างที่มันมีผลต่อคนไข้อันนี้หมอก็ยอมรับ น, นะหม อ, ห ม, อมีหมอคนหนึ่งมีชื่อมากอย่างชื่อวิลเลียมออสเลอร์เป็นหมอที่เป็นชาวคอนดดาที่ เป็นที่รู้จักกันในวงการแพทย์อังกฤษ อ, ฤษอเมริกาเมือ่อสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนเนี่ยแกก็ยอมรับ ว, ว่าเนี่ยที่แกและที่คนไข้รักคนไข้าอาการดีขึ้นหรือรักษา ห, หายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฝีมือแกลมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะความเชื่อความศรัทธานในตัวแกคนไขก็เลยรู้สึก ด, ดีขึ้น เคยคนไข้คนึงแกเป็นมะเร็งแล้วก็ได้มอร์ฟีนแต่ว่ามอร์ฟีนที่ให้ก็มันไม่พอที่จะระ ง, งับปวดได้คือระ ง, งับได้แค่ชั่วคราว แ, แค่ครึ่งชั่วโมงเท่นั้นแหละก็ปวดใหม่ก็ร้องขอมอร์ฟีนแต่ว่าหมอก็ให้ไม่ได้เพราะว่ารับเยอะไปแล้ว ได้มอร์ฟีนแค่ครั้งอ่ะสามชั่วโมงครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วจะให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้คนไข้ก็ร้องร้องด้วยความทุกข์ทรมานขอมอร์ฟีนในพยาบาลก็หนึ่งสงสารก็เลยให้ไปคนไข้พอได้ก็สบายนอนหลับได้ แต่บอกว่าเพื่อนพยาบาลเห็นก็มาต่อว่านเะพียรบาล น, นี่ให้ไปได้งไงหมอห้ามพยาบาลคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะให้ให้วิตามินนะพยาบาลให้วิตามินแต่คนไข้นี่เชื่อว่าเนี่ยอันนี้คือมอร์ฟีนระงับปวดนะพอมีความเชื่อแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้ความปวดระงับลงนะมันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกที่ใจ แต่ว่ามันมีผลต่อสมองนะมีผลต่อการหลั่งสารเคมีบางอย่างบางตัวในสมองทําให้ความปวดทุเลาลงได้แล้เรื่องความเชื่อเนี่ยความเชื่อสําคัญมากถนะ้าเชื่อว่าแนวสามสีนี่ให้โชคได้นะให้โชคให้ได้ลาบเจ้าของก็เลยได้โชคได้ลาบจริงๆนะ ลูกค้าเข้าล้านนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนมันเรื่องวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เป็นความเชื่ออยู่ในในในหัวหรือในจิตใจขงผู้คนแต่ว่าความเชื่อวันนี้ถ้ า, ถาจริงอว่าไปมันก็ไม่เสียหายนะมันก็ไม่เสียหายเพราะว่า มอย์ใงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของของของกินมิคนะเป็นของลูกเล่นนะเราถือว่าเป็นลูกเล่นก็ได้นะแล้วคนก็มีความสุขนะได้มาเห็นแมวคนบางทีก็มาซื้อของไม่ได้ไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการทางกายนะแต่ว่าต้องการความสบายทางใจ ได้มาเห็นแมวเขาก็ม right. ีความสุขโดยว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาจะมีมีมีมุมนี้มากอยู่แล้วนะเป็นประเภทกุ๊กกิกกันนะที่คนไทยรู้ว่าคลิ๊กขุอโนเน่เนี่ยก็จะมีมากทีเดียวเห็นแมวเห็นอะไรก็จะชอบพวกสติกเกอร์แรงต่างมันขายดีก็เพราะค่านิยมแบบนี้ บางร้านเนี่ยเขามีหมานี่มีหมามีหมาที่น่ารักนะหมานี่ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันนะช่วยขายของได้หมาตัวนี้ก็จะอยู่ที่หน้าร้า น, นแล้วก็ช่วยเจ้าของขายของบางทีไม่ได้ช่วยอะไรมากก็แค่โผล่หน้ามาที่ประตูเออที่หน้าต่างนคนก็ชอบ เขาก็ลือลอกันไปไอ้ญี่ปุ่นนี่สมัยก่อนโทรทัศน์มันไวมากเลยพอลือไปสักพักโทรทัศน์ก็มาถ่ายถ่ายเสร็จก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็ดึงคนมาคนมาจากไกลๆเลยนะมาเพื่อได้มาเห็นหน้าไอ้มาตัวนี้นะมาทักทายแล้วก็มาแล้วก็ซื้อของอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นปรากฏการณ์ของโลกยุคนี้ก็ได้นะคือความเชื่อดั้งเดิมผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ทำให้มีปรากฏการณ์แบบนี้มากขึ้นแล้วความเชื่อมันก็ฝังแพร่หลายมากขึ้นงั้นถึงแมว่าเทคโนโลยีถึงแมว่าโลกมันจะเจริญก้าวหน้ายอย่างไรเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าความเชื่อเรื่องโชคลาภนี่มันจะมันจะน้อยลงนะมันก็มีมันก็กลับ เคยแพร่มากขึ้นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีกับศัยศาสตร์หรือว่าความเชื่อแบบนี้มันมันไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าพอเทคโนโลยีก้าวหน้าความความความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มันจะน้อยลงในญี่ปุ่นนี่ไม่ได้น้อยลงเลยนะคนที่ไปกราบไหว้าตามบนบานตามศาลนะ สารชินโตหรือว่าไปบนบานตามวัดเก่าๆวัดดังๆในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาตลอดพวกเครื่องล่างของขลังก็ขายดีขายดีขายดียดเนี่ยไปวัดที่ไหนก็ตามอ่ะเช่นไปวัดหลวงพ่อโตที่นาราหรือว่าที่ย่าน แลยชิกามากุระเนี่ยก็จะมีพวกของพวกเครื่องรางของคลังเนี่ยเงยเอะแยะหมดคนก็ซื้อไปไปไปที่บ้านมองไปติดรถบ้างนะเราคนนี้ไม่ต้องเสกอะไรเลยนะเขาก็เชื่อกันนะคนญี่ปุ่นนี่เชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วไปหมดเชื่อว่ามีสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตาม ขอข้าวเองเครื่องใช้ด้วยจะเป็นจอ่อจะเป็นเสียงจะเป็นดินสอรแรงต่างก็มีความเชื่อมาสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังก็ยังหลงเหลืออยู่ที่จริงความเชื่อนี้ก็มีในคนไทยนะเ๋ยวเราเราไหว้ครูเนี่ยเราไม่ได้ไหว้ประเพณีไหว้ครูของไทยแต่โบราณมันไม่ได้ไหว้ไหว้ไหว้คนนะก็จะไหว้ผีไหว้เทพแล้วก็สิ่งที่เอามาใช้ใน อุปกรณ์ที่ใช้ในการไหว้ในในพิธีนี้ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้เช่นถ้าไหว้ครูเกี่ยวกับเกี่ยวกับโขนละครก็เอาพวกหัวโขนนี่มาวางนะถ้าเป็นไหว้ครูอย่างอื่นเนี่ยเช่นตอนหลังนี่ก็มาไหว้เอาหนังสือม า, มามาเป็นตัวแทนครูแทนพิธีไหว้ครูแบบที่สมัยใหม่เนี่ยมันก็เริ่มจะ การไหว้นังสือเนี่ยเอาหนังสือมาวางไว้บนบนผ้าแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการอ่าก็ถือว่านังสือเนี่ยมันเป็นเป็นตัวแทนของของเทพนะที่จะมาช่วยประสิทธิ์ประสากวิชาความรู้ให้ไหว้ครูไม่ว่าครูในด้านละคร หรือว่าโขานหรือว่าวิชาความรู้หนังสือนังหาหรือว่านเรื่องเกษตรเนี่ยเขาก็ใช้ผู้เข้าของเครื่องชชยเนี่ยแหละมาเป็นสื่อที่จะให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของของของของเทพเนี่ยมาอำนวยเ อ, อืผลให้กับผู้ที่เคารพกราบไหว ก็เป็นความเชื่อเดียวกันนะแบบญี่ปุ่นคล้ายญี่ปุ่นก็คือมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เขาก็มันมีอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนั่นคนไทยมีความเคารพหนังสือมาต่ก่อนเนี่ยจะไม่ข้ามหนังสือเลจะไม่ยืนจะไม่เดินข้ามใครที่เดินข้ามหนังสือนี่ถือถือว่าอุบาทมากแต่สมัย น, นี้ไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนี้แล้วแต่คนคนรุ่นผมนี่ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ นี่เป็นความเชื่อของของผู้คนที่มันก็ไม่ได้สูญหายไปแล้วก็สมัยนี้ก็จะอาจจะมีมากขึ้นในซ้ำเพราะพวกเทคโนโลยีเนะี่ยการกระพือข่าวการกระพื่อข่าวสมัยนี้มันกระพือได้กว้างมากก็จะมีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งคนรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกหวั่นไหวไม่รู้จะมีอะไรเป็ที่พึ่งก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยมนุษย์เหล่านี้ก็ต้องอยู่กับความเชื่อเรื่องพวกนี้ ไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนก็หนีไม่พนะ้นอย่าไปคิดว่าพอมีวิทยาศาสตร์แล้วไอ้ความเชื่อพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสยสาวนี่จหายไปมันไม่หายแต่ในที่นู้นเรายังอ่อนแ อ, อยังต้องการที่พึ่งยังมีความโลภยังอยากร่างอยากกลัวยังก็ต้องมีความเชื่อเรื่องโชคเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้นหะ